b o o อ2 82 8สอดีตการสองดัทิแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมมอดด์ดูรริงกร์แอนบล แล้วคุณต้องเรียกหมอไห ม, มหมอทูทร่างิเอ r เตเแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไห ม, มหมอรวจคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับนโนโมีคุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับฮาดูเอตรีเซนฉัน l i อยู่แล้คุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับฮาดูคอร์เซดอเวอร์บยุนฉันมีอยู่แเขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ k o m m ฮน์เซ่ทีเด่ ขเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับว่เขามเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับฟตทนไดท่าม่กินฟินเนวิ่ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ ทำไมคุณหาทางไม่พบครับเพราะคุณดูไม่เ i ็นวิ e ีทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับเพราะคุณดูไม่เข้าใจเขาผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมยายคุณด็ไม่มาทั ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองฉันไผมผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปเตรผมต้องนั่งรถแท็กซี่ ผมต้องซื้อแผนที่เมืองผมต้องปิดวิทยุผมต้องปิดวิทยุผมต้องปิดว